กราบสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะราย 5 ของรัตนโกสินทร์นะคะนั่น ต่อไปกราบนมัสการท่านอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโณนะคะเพื่อที่จะสนทนาธรรมกันต่อไปค่ะนมัสการกระทั้งค่ะเรียนบานค่ะเวลากตัญญู ก่อนถึงวันเนี้ยจะต้องช่วยกันกุลีกุจอขนขวายมาทําพวงมาลา ใน 23 ตุลาคมใช่ค่ะในทางพระพุทธศาสนาท่านคะการแสดง 2 อย่างเอ่อกตัญญูกับ 2 คุณธรรมเนี้ยเป็น นี่สมล่าเกิดมาเพราะถ้าไม่มีใครมาอุปการะเราเราก็ เราอุปการะราวเราก็อุปการะคนอื่นด้วยนะนี้เป็นธรรมที่ค้ำอยู่แล้วนะด้วยการที่เลี้ยงท่านตอบด้วยการทํา เอ่อก็เรียกว่าประพฤติวงสกุลให้ดีนะรักษาวง<ใช> <ใช>เอ่อไม่ไม่ใช่เป็นรูปแบบที่พุทธเจ้าหมายถึงนะที่พุทธเจ้าหมายถึงเนี่ยคือคุณไปสร้างบุญกับเนื้อนาบุญแล้ว การที่ตับแทนด้วยทําด้วยอมิสบูชานะที่ดีกว่าก็คือว่าให้ท่าน 4, 4 <Okay. S 1> อย่างเอ่อแล้วก็การทํา นะถ้าใครจะเอาดอกไม้มาบูชาจะดนบรรเลงดนตรีนั้นไม่ใช่การบูชาที่ที่สูงสุดนะยังไม่ดี มีสัมมาวาจากันรักใครสามัคคีกันในคนในชาติเออนี้ดีกว่าบูชาที่ที่ดีที่สุดเลยว่างั้นสุดท้ายนี้ๆกันใน สักทุกค่ะท่านค่ะทีนี้เมื่อสักครู่ท่านพูดว่าอุปการะคุณด้วยถือว่าเป็นธรรมค้ำจุน ที่ไม่ใช่กตัญญูกับอุปการะคือจะนึกของพรหมเอ่อพรหมหรือคนที่เป็นใหญ่ที่จะคอยค้ำคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอ่า หนึ่งในคุณธรรมของของคนที่ต้องดูแลต้องค้ําจุนนะคือเอาไปค่ะท่านคะมีเพื่อนดิฉันคนนึงนะคะเค้าก็อ๋อจะ เหมือนกับคนที่คลอดลูกแล้วไม่เลี้ยงอ่ะนะคะอืมเค้าบอกก็จะดูแลอย่างเงี้ยจนกว่าจะ แน่นอนอันนี้เกิดแน่นอนเจ๊บอสนะคะก็ที่ทางให้กับท่านอืมศีล ก็เป็นพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์อ่าพรหมจรรย์เนี่ยหมายถึงการที่บริสุทธิ์เอ่อการกามนางกามเอ่อสิ่งที่เป็นกามคุณนะถ้าศีล 5 นี้เต็มๆนะ แล้วก็คุณก็ยังนั้นนะแล<ใช> 5 ที 8 เนี่ยก็คือลีกออกจากกามคําว่าปรมาจารย์ เป็นเรื่องที่ไม่ดีมีโทษมากมีคุณนิดเดียวทีนี้คนมันยังหยุดไม่ได้ไงยังหยุดไม่ได้ เนี่ยถ้าเลยระดับนั้นขึ้นมาคือความประพฤติปรมาจารย์นะคือลีกออกจากกามยังอยู่นะไม่รอบ 3 รอบ เอ่อศีล 8 เนี่ยนะศีลนั้นเป็นเบื้องต้นของพระมหาจารย์เนี่ย 1 ที่พระเจ้าตรัสไว้ก็คือการรับประทานในซึ่งเอ่อในหยุดเพราะ ใส่สักกี่มื้อล่ะก่อนเที่ยงก็ก็เต็มที่ได้นะซึ่งสําหรับบางคนก็ 2 นะแต่สําหรับอาตมา <Okay. S> 1 นะ, เนี่ยถ้าตอนเช้าเรากินกินแบบพอ 2 เอ่อความง่ายในการดำรงชีวิตเนี่ย 1 นี่ ในฐานะแห่งการแต่งตัวฐานะในฐานะแห่งการแต่งตัวการแต่งตัวนะไม่ทําตรงนั้นในใช่แล้วมันมีฐานะอื่นที่ไม่ใช่การแต่งตัวเหรอคะเอ่ออะไรเพื่อป้องกันผิวไม่ให้มันมันแตกเป็นแผลอย่างงี้ คำทุกข้อเลยหน้าตาดูสดใสข้อเนี้ยมีอาชีพพอดีมีอาชีพที่มันต้องหน้าได้ไงก็ นั้น 1 ในอนิสงส์ 11 อย่างของการเจริญเมตตาภาวนาก็คือทําให้มีผิวพรรณผุดผ่องนั้นประชาไม่ นะต่ํานี่ก็คือไม่สูงมากอาจจะระดับขานุ่มๆเหมือนอย่างเตียงที่ที่ใช่ๆ 3-4 มม. 5 มม. Mm, ก็ทํามีนะคะอ่าถ้าไม่ใช่ เอ่อเรื่องของกามประพฤติปรมาจารย์คือเราจะไกลออกจากกามนั่นคืออันนี้เอ 8 เนี่ยอ่าคุณโยมเดี๋ยวลองคิดดูอ่าถ้าเรา เอ่อไม่ต้องมาดูแลเรื่องผัดทาแต่งตรงนั้นแต่งตรงนี้มีภาระน้อยมากเราจะ มากอย่างไรอย่างไรคะเอ่อที่แจ้งเราจะเปิดกว้างต่อกันเอ่อต่อการ ถ้าสมมุติคุณตัดตรงนี้ออกไปปิดกั้นตรงนี้ออกไปปึ๊บใจของคุณจะน้อมมาอืมเห็นได้แน่สำหรับนักนัก หมดเลยค่ะนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณ อ่าลา